มาสู่ใจของเราที่ยังจมอยู่ในกองทุกข์และนำพาใจนั้นให้เป็นอิสระจากทุกทั้งปวงดังที่ท่านได้พาดํำเนินเป็นแบบอย่างมาแล้วขออย่าทำใจให้เป็นใจที่อาภัพอับวาสนาไม่ยอมน้อมรับมงคนนั้นเข้าสู่ใจใจจึงมืดมนด้วยอำนาจของอวิชชาเพราะสมมานา น, นจะทัศนังเอตัมมังคลรมุตตมังการได้เห็นสัมณะ เป็นมงคลอันสูงสุดลงชื่อด็อเตอร์ดาราวันเด่นอุดมอ่านโดยโจโช